วันชาระกายวาจาใจให้สะอาดเพราะความสะอาดบริสุทธิ์ของกายวาจาใจนาความสุขมาให้นาความเจริญมาให้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธบริสัทธิ์คอยชาระกายวาจาใจให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรมาวัดสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้มาชำระ ก, กายว่ า, าใจให้สะอาดสิ่งที่ทำให้กายว่ า, จาใจไม่สะอาดนี้ส่งเรียกว่าอากุศล ม, มีอยู่สุบประการด้วยกันคืออกุศลทางกายมีอยู่สาประการ อาสุอลุทางวาจามีอยู่สี่ประการและอากุสลทางใจมีอยู่สามประการด้วยกันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะให้มีติดอยู่กับกายวาจาใจของเราเราต้องชำระด้วยกุศลคือด้วยธรรมะด้วยปัญญาด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ให้ชำระอา ก, กุสรทางกายที่มีอยู่สางประการด้วยธรรมะคือ อ, ก, อกกุสรทางกายข้อที่1คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อที่2ก็คือการรักทรัพย์ข้อที่3ก็คือการประพฤติผิดปตะเวณีสงสอนให้ชำระด้วยการละเว้น จากการกระทำอกุศลดังนี้คือให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพุติผิดประเวณีเพราะถ้าละเว้นได้ก็จะทำให้มีความสุขใจมีความสบายใจถ้าละเว้นไม่ได้ก็จะทำให้ใจมีความเศร้าหมอง มีว่าความว้าวุ่นขุมัวมัวมีความเดือดร้อนวุ่นวายไม่รู้จกักจบจากสิ้นเราจึงต้องมาสมาทานศีลกันก็คือศีลห้าดังที่เราได้สมาทานกันไว้เมื่อสักครู่นี้การสมาธา น, นี้เป็นการตั้งเจตนาคมเป็นการตั้งจิตอธิษฐานว่า วันนี้จะรักษาสิงเช่นจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพื่อผิดต่อีเมื่อเราตั้งใจแล้วสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือเราต้องมีสัจจะความจริงใจคือเราต้องทำตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้เหมือนกับเราให้สัญญา กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าวันนี้จะรักษาศีลเราก็จะต้องรักษาคํามั่นสัญญาให้ได้ถ้าเราไม่รักษาเราก็จะเป็นคนไม่มีศรรกักด์เจรเมื่อไม่มีสักดิ์จรแล้วจะทําอะไรก็จะมักไม่สําเร็จเพราะจะไม่สามารถทําตามที่ตนเองตั้งใจที่จะทําได้นั่นเอง นั้นข้อสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องมีสัจจะแล้วก็ต้องมีความภาคเพียรพยายามที่จะรักษาศินทั้ง3ข้อนี้คือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการรักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดโัดเวเลยนีถ้าเรามีสัจจะ ในความภาคเปลี่ยนเราก็จะสามารถหรือเกือบจะสามารถรักษาได้แต่เรายังต้องมีธรรมะคุณธรรมอีกข้อหนึ่งคือเราต้องมีขันติความอดทนอดกลั้นเวลาที่เราเกิดอารมณ์ไม่ดีเรามาักอยากจะไปทำสิ่งที่ไม่ดี เราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นหรือเวลาจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการรักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดปรเวณีอยารู้สึกยากลำบากเราก็ต้องมีความอดทนมีขันตินี่คือคุณธรรมที่จะทำให้เราสามารถชำระอกุศลทางกายได้คืออธิษฐาน สัจจะวิญยามและขันติ mm hmm. คือความตั้งใจความจริงใจความพยายามและความอดทน mm hmm. ถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสีประการนี้แล้วการรักษาศีลทั้งสามข้อนี้ก็จะไม่ลำบากยากเย็นแต่อย่างใด mm hmm. ส่วน อกุศลทางวาจาก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องรักษาแบบเดียวกันคือเราต้องละเว้นจากการพูดปดละเว้นจากการพูดคำยาวละเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อละเว้นจากการพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามียเพราะการพูดเหล่านี้เป็น อกุศลทางวาจานั่นเองคือพูดคําเท็จพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามเขีย่ยเป็นการพูดที่ไม่เป็นการสร้างความดีความงามแต่เป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้แก่ตนเองและแก่ผู้อื่นตนเองก็จะเป็นคน ที่เสื่อมเสียผู้อื่นที่ได้รับการกระทําจากคำพูดก็ได้รับความเสียหายเราก็ต้องละเว้นอกุศลทั้งสิบนี้ด้วยการไม่กระทําคือไม่พูดไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาไม่พูดเพเจ และไม่พูดยุงยงให้เกิดความแตกแยกสามวีส่วนอคศลทางใจก็มีอยู่สามข้อด้วยกันคือ 1. ความโลภ 2. ความโกรธ 3. ความหลงที่จะทำให้จิตใจเรามีความเศร้าหมองมีความวุ่นวายมีความ ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเราจึงต้องใช้ธรรมะม า, มากำจัดอกุศลทางใจด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพราะเมื่อเราได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ที่จะไปลบล้างความหลงที่เป็นเหตุ ที่ทำให้เกิดความโลภและเกิดความโกรธขึ้นมาความหลงก็คือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นสุนัขเป็นแมวอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้เห็นเป็นไปตามความเป็นจริงพวกเราพุทธชนนี้มีความหลงด้วยกันทุกคนไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้า ที่ไม่มีความหลงมีปัญญาพ่อท่านเห็นกงจักรเป็นกงจักรเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวเห็นสุนัขเป็นสุนัขเห็นแมวเป็นแมวเห็นสุขเป็นสุขเห็นทุกข์เป็นทุกข์แต่พวกเรานี้เห็นกับตาลรปัดกันพวกเราเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขเห็นความสุขว่าเป็นความทุกข์ พวกเราเลยเกิดความโลภแล้วก็เกิดความโกรธขึ้นมาพอ เ, เกิดความโลภไม่ได้ตามความโลภ ก, ก็จะเกิดความโกรธเพราะสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันไม่แน่นอนบางทีอยากแล้วไม่ได้ก็มีบางทีอยากแล้วได้ก็มีพอได้มาก็ดีใจ แต่มันก็ไม่แน่นอนที่จะอยู่กับเราไปตลอดพอมันจากเราไปเราก็เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีงเพราะเราไม่ฉลาดเราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขอะไรที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขแต่พวกเราเห็นว่า เป็นสุขก็คือหนึ่งลาบนี้เองลาบก็คือข้าวของเงินทองทรัพสมบัติต่างๆสองก็คือยศสามก็คือสรรเสริญสี่ก็คือความสุขที่ได้จากการเสกรูปเสียงกลิ่นลน้นบทภาะชนิดต่างๆพระพุทธเจ้าทรงได้เสกได้สัมผัสมาอย่างโชคชนมาแล้ว และทรงมีพระปัญญาที่สามารถมองเห็นได้อย่างแท้จริงว่าเป็นเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขพอทรงเห็นแล้วก็ไม่ทรงโลภไม่อยากได้พอไม่อยากได้ก็จะไม่เกิดความโกรธเกิดความเสียใจใจของท่านก็จะสงบมีแต่ความสุข ม, มีความสบาย เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบของใจความสุขที่เกิดจากความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาแต่พวกเราไม่เห็นกันไม่รู้กันเราจึงต้องอาศัยการมาศึกษา ฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพอเราได้ยินได้ฟังแล้วขั้นที่สองที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องมาคอยสอนใจเราให้เห็นว่าลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายนี้เป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุข เช่นเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าลาบก็คือเงินทองช่อสมบัติต่างๆนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่จีรรมถาวรเราไม่สามารถที่จะไปควบคุณบังคับให้อยู่กับเราไปได้ตลอดไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไป ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นความทุกข์เวลาเงินหายไปเราจะมีรู้สึกอย่างไรเวลาสร้อยคอสร้อยเพชรแหวนเพชรนาฬิกาหายไปเราจะรู้สึกอย่างไรเวลาที่เราไม่มีเงินทองใช้สอยเหมือนกับตอนที่เรามีเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนได้หรือเปลา นี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตอนที่มันเปลี่ยนไปมันจากเราไปนั่นเองแล้วก็เป็นทุกข์ในตอนที่เราต้องแสวงหาเวลาจะหาเงินหาทองสักบาทหนึ่งนี่ลาบากลาบนขนาดไหนต้องไปทำงานต้องไปเหนื่อยยากกับภารกิจการงานต่างๆกว่าจะได้เงินมา พอได้มาแล้วก็ได้ไปซื้อของต่างๆให้ความสุขชั่วคราวแต่มันก็ไม่ทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอมีความสุขในขณะที่ได้ได้เสพได้สัมผัสแต่พอผ่านไปแล้วก็เป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนตอนที่ยังไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัส แล้วก็เกิดความหิวเกิดความต้องการเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ความอยากความต้องการนี้ก็เป็นความทุกข์เพราะทำให้เราไม่สามารถอยู่เฉยๆได้เราก็ต้องออกไปดิ้นรนไปหาสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้อยากอยากจะเสพอยากจะสัมผัสถ้าขาดเงินทองขาดปัจจัย ก็ต้องไปหาเงินหาทองมาก่อนนี่คือความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการแสวงหาความสุขทางลาบยนตสารเสริญและรูปเสียงกลิ่นดนผุตภะยนตก็เป็นเหมือนเงินทองนี่เวลาเวลาอยากได้ก็ต้องลิ้นรนต่อสู้ให้ได้มา เช่นตอนนี้มีการเลือกตั้งจะอยู่บ้านเฉยๆให้สุขให้สบายก็ไม่ได้ต้องออกไปตะเวนไปขอไปหาเสียงไปขอเสียงไปเหนื่อยยากถ้าเป็นแทบตายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่มถ้าไม่อยากมียศ<ม>ก็อยู่บ้าน<ม>สบายไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาเสียง แล้วก็หลังจากที่ได้รับเลือกเข้าไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องหยุดตรงนั้นจะมีความสุขตรงนั้นก็จะต้องทุกขกับการหาตาแหน่งองีกหาตำแหน่งต้องลิ่นลงองีกแล้วพอได้ตำแหน่งมาก็ต้องทุกขกับการรักษาตำแหน่งองีกเนี่ยมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทาไมไม่เห็นกันก็เพราะมีความหลง ไม่เคยคิดกันไม่เคยพิจารณากันไม่รู้ว่าความสุขนั้นอยู่ที่การอยู่เฉยๆอยู่ที่ไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรต่างๆนี่เป็นสิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายไม่เห็นกันเพราะใจไม่เคยได้สัมผัสกับความสงบนั่นเองไม่เคยได้สัมผัสกับความไม่อยากไม่หิวไม่ต้องการ มีแต่หิวมีแต่ยากมีแต่ต้องการตั้งแต่ตื่นมาจนถึงวันนี้ยังไม่เคยหยุดหิวหยุดยากหยุดต้องการเลยเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เลยต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ต้องวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วใจก็จะเริ่ม หดตัวเข้ามาจะเริ่มเบื่อหน่ายกับการแสวงหาลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกิ้นกายแล้วก็จะหันมาหาความสุขจากการไม่อยากได้ลาบยศสารเสริญสุขการการไม่ไม่ต้องการลาบยศสารเสริญสุขแล้วก็มาทําใจให้สงบ ปล่อยวางพอใจสงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่มีความหนักแน่นมีน้ำหนักมากกว่าความสุขจากราบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคอยสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆการจะสอนใจเราอยู่เรื่อยๆนี้ เราต้องสามารถควบคุมความคิดของเราให้ได้ถ้าเราไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้ความคิดของเรามันก็จะพาไปคิดเรื่องแบบเดิมๆก็คือเรื่องอยากได้ราบยศสารสสุขนั่นเองดังนั้นเราต้องมาควบคุมความคิดของเราด้วยการใช้ความคิดอย่างอื่นเข้ามาแทนที่ เช่นให้คิดคำว่าพุโทโธพุธโทโธไปในใจอยู่เรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มาคิดแต่คำว่าพุโทโธพุธโทโธไปแล้วต่อไปเราก็จะมีกำลังที่จะดึงใจให้มาคิดในทางที่ถูกที่ควรได้ในทางปัญญาคือให้เห็นความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในลากยสสารเสริญ ในลูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะนั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามควบคุมความคิดของเราด้วยการเจริญสติจะเป็นพุทธานุสติก็ได้ก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธจะเป็นธรรมานุสติก็ได้ด้วยการบริกรรมธรรมโมธรรมโมหรือสวดมนต์ไปก็ได้หรือด้วยการเจริญสังขานุสติก็ได้ ด้วยการบริการสังโฆสังโฆไปหรือระลึกถึงพระอริยะเจ้าต่างๆระลึกถึงท่านอยู่เรื่อยๆระลึกถึงปฏิปทาการประพฤติการปฏิบัติระลึกถึงคําสอนของท่านให้คิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้แล้วต่อไปเราก็จะสามารถหยุดความคิดของเราได้ หรือดึงความคิดของเราให้มาคิดในเรื่องที่เกิดคุณเกิดประโยชน์เราต้องมีสติสตินี้เป็นเหมือนเชือกส่วนใจหรือความคิดของเรานี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนลิงการที่เราจะควบคุมบังคับลิงได้เราต้องมีเชือกคล้องคอเขาไว้แล้วก็คอยดึงเขาเอาไว้ถ้าไม่มีเชือกแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับ ให้ลิงนั่งอยู่เฉยๆได้เราเรามีเชือกคล้ อ, องคอไว้แล้วคอยดึงไว้เวลาดึงเลิงดื้เราก็เอาไม้ตีตีสักทีสองทีต่อไปมันก็จะเชื่อมคนที่เขาเลี้ยงลิงเราเห็นไหมที่เขาเอาลิงมาเล่นละครมาล้อมลำทาเพลงก็เพราะว่าเขามีเชือกคล้ อ, องคอลิงเอาไว้แล้วก็มีไม้คอยตีอยู่ คอยตีลิงอยู่เรื่อยๆให้ทำตามคำสั่งต่อไปลิงมันก็จะเชื่องและจะยอมทำตามคำสั่งความคิดของเราหรือใจของเราก็เป็นเช่นนั้นเราต้องมีสติค้องคอมันเอาไว้แล้วก็ต้องมีปัญญาคอยสอนมันคอยตีมันอยู่เรื่อยๆ เ, เวลามันดื้อก็ต้องทรมานมันอย่าไปให้มันทำอะไร จับมันเข้าไปในสมาธิจับมันเข้าไปในกลมต่อไปมันก็จะเชื่อมแล้วมันก็จะเชื่อแล้วมันก็จะทําให้ตามที่เราสอนก็คือจะพิจารณาความทุกข์ที่มีอยู่ในร่างยุติสารเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายถ้าพิจารณาอยู่บ่อยๆเข้านานๆเข้าก็จะเห็นอย่างชัดเจน ว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขก็จะไม่อยากได้ลาบยศสารเสริญไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นลดโผลทพะต่างๆใจก็จะไม่วุ่นวายไม่ทุกไปกับลาบยศสารเสริญสุดก็คือไม่โลกไม่มีความโลกเมื่อไม่มีความโลกก็จะไม่มีความโกรธ ทุกวันนี้ที่เราโกรธเพราะเราไม่ได้ดังใจนั่นเองอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นดังใจก็เกิดความโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาเราเห็นว่าสิ่งต่างๆนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขไม่อยากได้อะไรเลยใครอยากจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปใครจะดีก็เรื่องของเขา ใครจะร้ายก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งนั้นเมื่อเราไม่มีความต้องการอะไรจากใครใครจะทำอะไรอย่างไรเราจะไม่มีความโกรธยังไม่มีความเสียใจทุกวันนี้ที่เรามีความโกรธมีความเสียใจกันเพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยาก เราก็เกิดความกลธเกิดความเสียใจขึ้นมาความทุกข์ทั้งหลายนี้มันไม่ได้เกิดจากใครมันเกิดจากความหลงของเราเองที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นความทุกข์ที่เราไม่รู้ว่าเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เพราะเราไม่เคยพิจารณาไม่เคยสอนใจ ไม่เคยดูว่าเขาเป็นอย่างนี้ไม่เคยดูว่าเขาไม่เที่ยงเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราเขาเปลี่ยนไปจากความความต้องการของเราเราก็จะเกิดความโกรธเกิดความเสียใจพอเราไม่พิจารณาเราจึงหลงเมื่อเราหลงเราก็ยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วพอไม่ได้เราก็เกิดความโกรธ นี่คือปัญหาของใจคืออกุศลทั้งสามนี้ซึ่งเราสามารถแก้ได้ด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอามาปฏิบัติมาปฏิบัติควบคุมใจควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดไปในทางโลกอยากเพราะมันเห็นว่ามันเป็นทุกข์ เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แท้มันไม่แน่นอนเห็นว่ามันไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความปรารถนาของเราได้นี่คือวิธีที่เราจะชำระอกุศลทางใจต้องชำระด้วยธรรมะด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องมีการมีสติมีสมาธิ สติก็คือตัวที่จะคอยดึงความคิดเอาไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆแล้วก็สมาธิก็คือกรงที่จะขังลิงคือความคิดของเราให้มันอยู่อย่างมีความสุขพอจับลิงเข้ากลงได้แล้วลิงมันรู้ว่าการอยู่ในกรงนี้มีความสุขมากกว่าการออกไปวิ่งเต้นไปหาสิ่งต่างๆ ต่อไปมันก็ไม่อยากจะไปไหนพอมันรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในกรงขังเองอยู่ในความสงบอยู่ในการปล่อยวางต่อไปใจก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่ต้องมีกรงขังก็ไม่เป็นไรลิงพอมันรู้แล้วว่าความสุขอยู่ในกรงไม่ต้องไปบงังคับให้มันเข้ากรงมันก็จะเข้าไปอยู่ในกรงของมันเองเพราะมัน รู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ให้ความสุขกับมันอย่างแท้จริงใจของเราก็เช่นเดียวกันความคิดของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะรู้ว่าไม่คิดอะไรนี่ดีที่สุดใจนิ่งๆสงบไม่คิดอะไรนี่เป็นความสุขอย่างยิ่งปรมังสุญยังควมว่าสุญยังก็ว่างว่างเปล่าจากความคิดต่างๆนั่นเอง พอไม่มีความคิดแล้วก็จะเป็นปรมังสุขขังเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งได้ส่งค้นพบคือความสุขที่เกิดจากความไม่คิดปุนแต่นีแล้วก็ส่งนําเอาความรู้นี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่สารโลกถ้าสารโลกฉลาด เห็นตามความจริงที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็จะมีศรัทธานำเอาไปปฏิบัติแต่ถ้าไม่ฉลาดก็จะไม่เห็นว่ามันจะเป็นความสุขได้อย่างไรการที่ใจอยู่เฉยๆไม่คิดอะไรก็จะไม่มีศรัทธาก็ยังจะต้องไปหาความสุขทางลาบยศสารเสินทางตาหูจมูกนิ้นกายต่อไปแล้วก็ยังจะต้องทุกข์ต่อไป เพราะเป็นความหลงเป็นการเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนั่นเองเห็นทุกข์เป็นสุขดังนั้นถ้าเราอยากจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงอยากจะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจของเราเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามที่สงสอนให้เราชำระอกุศลสิบคืออกุศลทางกายทางวาจาและทางใจ ให้หมดสิ้นไปเพื่อทำให้กายวาจาใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาพอบริสุทธิ์แล้วก็จะพบกับปรมังสุขขังนี่คืออนิสงส์ที่จะเกิดเป็นผลตามมาต่อไปจากการมีศรัทธาและมีความเชื่อและปฏิบัติตามคำสอนของพ่อขุตเจ้าจึงขอฝากเรื่องของการมาวัด เพื่อมาชำระอกุศลทั้งสิบประการนี้ให้ท่านได้นำอาอกไปพิจิต์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอุศลผลบุญที่ท่านได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเอตุเป็นปัจจัย